เรื่องวิศวกรรมหาก้อมตอนที่หนึ่งโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโยขอน้อมน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นบรมครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายแม้ปรินิพานนานแล้วพระองค์นั้นด้วยเสียงกล้าว ความนวยพรสิริสวัสดิท์ทพัฒนมงคลความพาสุกทุกประการจงบังเกิดมีแด่ญาชมพุทธบริษัทผู้มีความสนใจไฝ่ในธรรมผู้สแสวงหาคุณงามความที่ผู้ไฝ่ในบุญในกุศลทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนในโอกาสนี้วันนี้เป็นวันพะระเวียนมาบรรจบครบรอบปแล้ววันหนึ่ง ทางสถานีวิทยกุกระจายเสียงแห่งนี้ได้จัดให้มีเป็นประจำคือการแสดงพระธรรมเทศนาในวันพระในรูปปุจชาวิสนาบ้างคือถามตอบ <c oughs> แล้วก็ในรูปแสดงพระธรรมเทศนาเดี่ยวบ้างในรูปปาทกถาบ้าง ทางนี้และทางนั้นก็เพื่อประโยชน์ให้พี่น้องมวลพุทธศาสนิกระชนทั้งหลายได้มีโอกาสสดับกับฟังถ้อยคำอันประกอบไปด้วยธรรมอันเป็นคำสังส้อนในทางพระพุทธศาสนาเพื่อจะได้นำไปเป็นข้อคิดในการปฏิบัติกิจชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองแก่ ครอบครัวแก่ประเทศชาติแก่บ้านเมืองแก่สังคมสืบต่อไปในวันพระนี้ก็เช่นเดียวกัน่อาตมาได้มีโอกาสมากล่าวธรรมิกถาพบกับพี่น้องร่วมพุทธศาสนาสาธุชนผมมีโอกาสเปิดเครื่องรับฟัง <c oughs> ได้ห่างเหินกันไปนานทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือมันมีงานมากเกือบไม่มีเวลาเป็นตัวของตนเองอ บ, บ้างก็เล็กน้อยทันท้งทุจผู้มีความสนใจไฝ่ในธรรมมีบางท่านก็บอกว่าทำไมหายไปเลยไม่เห็นโผลขึ้นมาอีกทีนึงคือ <c oughs> <c oughs> ในช่วงนี้ต้องรับดิมอนไปบรรยายอบรม เกี่ยวกับข้าราชการตามหน่วยงานต่างๆต่างแต่กเกษตรสาธารณสุขเรื่อยเปื่อยถึงครูบาถึงอาจารย์นักรเรียนนิสิตนักศึกษาตลอดทั้งทหารซึงไม่ค่อยจะมีเวลาเข้าที่ควรสำหรับวันนี้ พอจะมีเวลายู่บ้างอาตมาจึงขอพูดในเรื่องราวที่คิดว่าท่านทั้งหลายควรจะได้รับรู้รับทราบควรจะได้รู้จักคือเรื่องทำไมกราดทำไมกราชทำไมอาตมาต้องเอาคำนี้มาพูด ที่ต้องการให้ท่านทั้งหลายได้รู้จักและมองเห็นคุณค่าของธรรมมิตราชในยุคที่บ้านเมืองมีปัญหาไม่ไว่าจะเป็นปัญหาด้านการเมืองการบริหารการปกครองปัญหาทางสังคมปัญหาภัยจากธรรมชาติดินฟ้าอากาศแปรปรวน ทั้งหมดนั้นรวมคือปัญหาของมนุษย์ซึ่งเกิดมาจากเหตุจากปัจจัยที่มนุษย์ของเราได้กระทําคนโบราณได้เคยพูดกล่าวขวัญถึงธรร ม, มิกราชพยาธรร ม, มิกราศวายามใดบ้านเมืองเดือดร้อนฟุ่นฟุยเฮียมนั้น คนโบราณก็จะบ่นถึงว่าเมื่อไรนอ่น้อพญาธรรมมิกราจะมาโปรดจะมาช่วยแก้ไขยุคเข็นงามได้นอ้อพญาธรรมมิกราเจา้าโฟระเสดบนมีวะท่านจังจะเกิดมีขึ้นเราเคยได้ยินถ้าหากเป็นคนเท่าคนแก่อายุห้าสิบหกสิบแล้วก็คงจะได้ยิน วันนี้เรามาพูดถึงเรื่องทา ม, มิกราชกันบ้างก็จะเป็นการดีเพื่อจะให้เราได้รู้จักในมองเห็นและเราก็จะสามารถอียกร้องสร้างสนรนท์ามิกราให้เกิดขึ้นในสังคมที่เต็มไปได้วยความเดือดร้อนปุ่นวายสังคมยุคปัจจุบันนี้ ไม่ว่าจะเป็นสังคมในเมืองสังคมชนบทบ้านนอกเกือบจะเหมือนกันหมดเพราะความเจริญทางวัตถุทางเทคโนโลยีเกิดอะไรขึ้นที่กรุงเทพในบ้านนอกก็เห็นเกิดอะไรขึ้นที่สหรัฐอเมริกาที่ประเทศไทยก็รู้โดยข่าวสารผ่านดาวเทียมทรงลงสูจอโทรทัศน์ ให้เราได้รับรู้รับทราบแผ่นดินไว้ภูเขาไฟระเบิดเกิดโรงงานพลังงานนิวเคลียร์เอยแก๊สพิษรว่ตรงไหนระเบิดจุดตรงไหนเราสามารถจะรู้กันได้ทั้งนั้นยานอวกาศระเบิดจุดตรงไหนเกิดสงครามมุงโลกไหนน่าน้ําทะเลไหนอ่าวซอร์เตอ่าวไซด้าอ่าวเปอร์เซียเกิดอะไรขึ้นเราสามารถที่จะรู้ได้ เมืองพม่าเดินขาบวนอย่างไรเมืองจีนจะตระทีเรียนอันเหมินหลังเลือดมายังไงเราสามารถจะรู้ไม่จะรู้ธรรมดาเห็นด้วยในนาจอรทัศ์จอโทรทัศน์เมือก็ว่ามนุษย์ในสมัยนี้กำลังเจริญเจริญจะแข่งกับเทวดาบนสวรรค์แต่ท่ามกลางความเจริญด้วยเทคโนโลยี Technology. คือผลิตผลทางวิทยาศาสตร์ี ทำให้ปัญหาได้เพิ่มขึ้นอย่างสลับซับซ้อนยากแก่การที่จะแก้ไขทั้งทั้งที่หูแจ้งตาสว่างน้ำไหลไฟสว่างมีถ น, นนหนทางมีน้ำประปามีไฟฟ้าถึงยุคอินโฟเมชันเอกคือยุคข่าวสารอะไรอะไรก็รู้หมดนี่แหละแต่ดูเข้าไปดีๆในจิตใจของคนเราพวกวันนี้ คนเราทุกวันนี้ในสังคมโดยทั่วไปทางร่างกายขับขัางลังไหลคือคนมันมากบ้านเมืองมันกว้างเลยว่าอยู่กันอย่างขับขัางลังไหลแต่ทางจิตใจกลับอ้างวางว้าเหวเดียวใดอยู่กันมากมายแต่ก็เหมือนอยู่คนเดียวเพราะความเห็นแก่เนื้อแก่ตัวมีความรู้สึกตัวใครตัวมัน เอาตัวรอดไปวันวันได้ไปเทายย่าไรยิ่งดีสังคมยังมีปัญหามองกันด้วยสายตาที่เห็นกันเป็นมนุษย์อันตรายในสายตาซึ่งกันและกันแม้กระทั่งพ่อแม่ที่มีลูกอยู่เต็มบ้านเต็มเรือนก็ยังรู้สึกอ้างวาง ว, าว้าเหวความผูกพันอย่างล้ําลึกในจิตในใจพ่อแม่ก็ยังไม่อบอุ่นใจพอ นังนั่งเข้าจะได้ซื้อจากลูกกินอย่างนี้มันก็ทำให้เกิดความอ้างวางว้าเหวในสังคมเมื่อสังคมเป็นอย่างนี้ก็ไม่ต้องพูดถึงว่าอะไรมันเกิดขึ้นเมื่อจิตใจเราอ้างวางว้าเหวแบบชนิดตัวใครตัวมันในหมู่บ้านพูดกันจะไม่รู้เรื่องรู้แต่ภาษาหนักใกล้เข้ามาในครอบครัวพี่กับน้องก็อ้างวางว้าเหว เหมือนเป็นคนละคนจ้องที่จะเอารัดเอาเปรียบกันพ่อแม่กับลูกพ่อแม่ก็อ้างว้างว้าแหว่ลูกสาวลูกชายนางนาข้าพ่อแม่ก็หวาดกลัวจะพูดอะไรไป น, นิดหน่อยก็กลัวย่านมาท้อไปเดี๋ยวนี้พ่อแม่ย่านหอดลูกขันบอลลา ย, ย่านลูกเขียนพูดจาสั่งสอนจำจี้จำช้นักย่านลูกสาวเขียนยอย่ว่าอะไรด้ ไปนิบมา ก, ก็ได้ไดิไป <c oughs> สันเสร็จเลยพูดเล่าเสร็จเลยลูกสาวบอกว่าไปอาวุธนีิบม่า ก, ก็ได้ไดิไปสันชมลไล่ดิไปสันก็เลยงอนงอ้อรั่วแต่พูดมากลูกก็หาเรื่องขู่เอาลาักษณะเช่นนี้แหละจึงอาดมากล่าวว่าสังคมของเราทางตาย ขับข้างหลังไหลทางจิตใจก็อ้างวางว้าเหวเหตุที่มันเป็นอย่างนี้คนโบราณก็เลยตัดไว้นานแล้วล่ะวกักมันจะถึงยุคเห็นยุคเสื่อมการสูวยยุคเสื่อมจนถึงขนาดว่ามันจะอยู่กันไม่ไว้ไม่รอดแล้วก็จะมีพระยาธรรมมิกราชมาแก้ไขเหตุการณ์ ในอย่างที่ทุกวันนี้คนกําลังอ้างว้างว้าแหวพ่อแม่กําลังง้องอนต่อลูกพูดมากกลัวลูกจะโกรธกลัวลูกจะไม่ให้อยู่ให้กินกลัวลูกจะหนีจากฝากผีฝากไขไว้ไม่ได้พ่อแม่ไปอยู่กับลูกคนโน้นทีอยู่กับลูกคนนีนท้ทีถ้าไปอยู่กับคนโน้นคนนี้ก็สาบายใจถ้าแม่ไปอยู่กับคนนี้คนโน้นก็สาบายใจ ้ายอยู่นานๆเข้าดีบดิว่าให้คับคือบ่าไปอยู่ในเขาหุ่นวริสนันยังยังกะหอบเลยเขาเปิด <c oughs> เสร็จเลยเอกพ่อแม่ยังนี้ก็มีคนโบราณท่านเขียนไว้ในหนังสือเรื่องพุทธธรรมนายยังในมหาสุบินนะสูตรพระไตบิิดกเล่มที่ยี่สิบเจ็ดคุตตกนิกายชาตกถา เครื่องมหาสุบินสูตรความฝันสิบหกประการของพร ะ, จพระเจ้าปเสนทีโกศนมีฝันข้อหนึ่งในจำนวนติบหกนั่นฝันเห็ดงวังวงัวอุสุฮาลุกหาคาวิโยคาวิโยแม่งวัวแม่โหออกลูกมันแล้วก็ไปโดูดกินนมลูก น, น้อยๆลูกมันไม่แห้งกินมันก็วว่งนี่แม่มันก็งอ ง, งอนจะโดดนมลูก พระพุทธเจ้าทำนายแก่พ ร, ระเจ้าปัณฑเสนที่โกรธสนว่ามหาบอพิตราชแกสมภานปัจยะโลเกอนาคตัสัมิงจะเป็นปัจจัยแก่โรคนี้ในอนาคตการยาวไกลผู้คนเสื่อมสามลงจากสินจากธรรมนี้ความเห็นแก่เนื้อแก่ตัวไม่เคารพพ่อแม่ไม่เชื่อฟังพ่อแม่ผู้จากระโชกโคอห้าพ่อแม่ต้องคอยงอ ง, งอนอ่อนใจ ถ้าถูกใจก็จะเลี้ยงจะดูให้อยู่ให้กินถ้าไม่ถูกใจก็ตะเพิดขับไซไล่ส่งว่าให้พ่อให้แม่ขู่เค้นตะข้อพ่อแม่ต้องก้มหน้างอเ ง, งอนโยกเหมือนแม่งมัวที่ไปาจะดูดนมลูกลูกมันไม่ให้กินแต่เดี๋ยวนี้มันไม่เป็นอะไรแกมหาบาบิษมันจะเป็นแ ก, โกน่โรคนี้ในจำนวนความฝันทั้งสิบหกข้อนั้นเนี่ยมีจะเรื่องวิปริตแปลปวนทั้งนั้นเนมันยังไม่มีเวลามาเล่าให้ฟังละเอียด เป็นว่าวันนี้ความฝันต่างๆเหล่านั้นก็กลายมาเป็นความจริงในสังคมยุคปัจจุบันแล้วก็เรียกร้องหาพยาธรรมิกราชทําไมวันนี้จึงจะต้องนํามาพูดในเรื่องนี้ก็ เ, เพื่อจะชี้ให้ท่านทั้งหลายได้รู้ได้เห็นเรื่องธรรมิกราชว่ามันมีประโยชน์อะไรมีคุณค่าสาระทางด้านสังคมยังไงในทางพุทธศาสนาได้พูดไว้อย่างไรหรือเป็นเพียงนิทานตำปลาเล่า เ, าเสิบๆกันมาให้เราได้รับรู้รับทรา บ, รบ หรือว่าเป็นนักปราชญ์โบราณแต่งเติมเสริมส่งเขียนขึ้นมาใหม่อาลมาสะดุดใจอยู่คำนี้มานานอยากแกพูดเมื่อปีกอนน่อนโน้นในเดินทุดงพาคณะหลวกศิษย์หลกงหาพากันเดินจาริกไปด้วยไปเรื่อยๆค้าที่ไหนนอนที่นั่นโดยออกจากวัด ผ่านเขตวานอนนิว่าเขตฟังโคลเข่าเขตพลนาข้ามภูเพกไปผู้านเข้าทางกุดบางไปออกนูนคำเพิ่มเ่อเรื่อยไปจนถึงสร้างข้อหลบเหล่าเรียบซ้ายไปทางบ้านทางเขตเขาวงดงหลวงทางชาตินาคูขึ้นไปน้ำตกตาดทองเดินไปถึงสา่สานซานแหวะ <c oughs> และก็พากันเดินข้ามขุนเขาแถบนั้น ไปไทอีนิคมคำส้อยมุกดาหารเราไปกันจนถึงอำนาจเจริญทำแสงเพชรหลังจาก น, นั้นเราก็เดินต่อไปที่ชานูมานาเธอบกกับผ่านดอนตาลมาทางมุกดาหารมาทาดพนมมานาครพนมท่าอูเทนผ่านทั้งท่าอูเทนมาทางนี้สีสงครามไปบ้านแทงเนี่ย มีตอนหนึ่งผ่านแถวท่าพระธรมาก็จำได้แต่ไม่ทราบว่ามันเป็นบ้านไหมจำชื่อบ้านไม่ได้แต่จำเหตุการณ์ได้ว่าแถวท่าพี่น้อ ง, งย้อนนี่ล่ะทางท่าอุเทนนี่ล่ะคันเบรซันก็ทางทางต้นแข้งเราพากันไปในหมู่บ้านหนึ่งเมื่อตอนเช้ายมมามากๆ เราก็แสดงธรรมหาถือโอกาสแสดงธรรมให้เพื่อนสาธมิกังหลายได้ฉันข้าวไปก่อนถ้าเราจะมานั้นก็เธอโอกาสแสดงธรรมแนะนำพัมซ้อนหลักสินหลักธรรมให้ยาเดียวพุทธบริษัทได้ดลูกหลังจากนั้นแล้วก็เก็บข้าวเก็บของตั้งใจเดินทางเพื่อจะเดินทางกันต่อไป แล้วมีญาติโยมจํานวนมากอ้อนวอนโอ้ยอย่างขวยนอนนําจะคืนสองคืนในทอนโปรดผายพวกข้น้อยครื่องทอนั้นพูดว่ได้ยินได้ฟังนํากันทนาอยากให้เขาได้ ย, ยินอะไรเงี้ยแล้วธรรมาก็บอกว่าอืมจะต้องเดินทางถือคติอย่างหนึ่งว่านอนค้างแห่งละคืนเท่านั้นแล้วก็จะต้องเดินต่อไปเอาล่ะปีนี้ ทั้งนี้เรามีโอกาสได้พบกันเพียงคำนี้ขอให้จดจําแล้วก็บอกเล่าคานต่อกันไปประสินธรรมมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้บ้านเมืองเป็นอย่างนี้เราจะต้องแก้ไขอย่างนี้เอาสินเอาธรรมกลับขึ้นมาสู่จิตสู่ใจให้บ้านเมืองสังคมสงบร่มเย็นชีวิตนี้ก็สดชื่นแจ่มใสว่ายังไงแกก็เสียดายแล้วเราก็พากันเดินเป็นแถวออกมาจะพายบาดแบกกดเดินมา อาเรมาได้ยินเสียงพูดแววแวๆตามหลังจำได้สนิทเท่าทุกวันนี้แต่ก็ไม่ได้ดูหน้าตาว่าใครเป็นคนพูดแต่คำพูดนั้นเป็นคำพูดแน่นอนว่าคือคนแกๆ่ๆเกิดมานานล่วงการผ่านไปท่านมองตามหลังพระทรง์องค์เจ้าที่เดินไปไปจำนวนมากในขณะที่โลกเขาจเจริญรุ่งเรืองนั่งรถเก๋งติดแอ แต่พระทรงองค์เจ้าจำนวนยี่สิบวารูปเนี่เดินฝ่าเปรวแดดแต่ภายบาทแบกกดมันสวนทางกับความเป็นจริงพ่อเท่าคนเนี้ยพูดว่าอ้ยออนซอนเด้น่ะเ <c oughs> พื่อเป็นตำาเนยงยอเลยร้อยเปอร์เซ็นออนซอนเด้์อะกันเนี่ยครูเนี่ยาสาไปน้ำกันหลายๆเนวนี้ไปใส่แล้วก็ไปเทศไปสอนอันนี้แล้วเพื่อนเววทายาทำมิก ร, ราสาาู่คำศาปปา เกิมีมาแล้ววัางนะอาตมาก็จําคํานี้แล้วก็สะดุดใจอยู่ว่าทํายังไงน้อจะทําให้ประชาชนได้เข้าใจเรื่องพยาธรรมมิกราชทีนี้วันนี้เราก็เลยมาพูดกันเรื่องธรรมมิกราธรรมมิกราธรรมมิกราชเนี่ยคืออะไรทําไมจึงต้องมีธรรมมิกราช ทำมิกราชไม่มีประโยชน์เพื่ออะไรและเราจะต้องมีทำมิกราชหรือว่าทำมิกราชาโดยวิธีใดโดยวิธีใดวันนี้ก็เลยขอนําเรื่องนี้มาเล่าให้ท่านสาธุชนทั้งหลายฟังถ้าหากอาจมาพูดไปแล้วท่านทั้งหลายที่ได้มีโอกาสรับฟังเนี่ยจะเชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ได้ ไม่เป็นบาปเป็นกรรมอะไรหรอกเพียงแต่ว่าฟังแล้วคิดว่ามันจะมีทางเป็นไปได้และเป็นความจริงสักขนะไหนเรื่องธรรมมิกราชคืออะไรก็ต้องขอทำความเข้าใจกับคำนี้สัก่อนว่ามันคืออะไรว่ากันตามอักษ ร, รว่าธรรมะบัวเข้ากับอิ ก, กะสมาดสนที่เข้ากับอิกะแล้วก็มีราชา เข้ามาอีกสามคำคือธรรมะอิการาชะเอามาต่อกันเป็นพืชตามรูปสับวยากรณ์กฎระเบียบของภาษามันจะได้รูปที่สมบูรณ์สําเร็จรูปเป็นธรร ม, มิกราชหรือว่าธรร ม, มิกราชะเอาง่ายๆอย่างนี้แหละนะธรรมะนั้นแปลว่ารทำไปว่าความถูกต้องความดีความงามความอุดม ความเจริญตีกะแปลว่าประกอบด้วยประกอบเข้าด้วยกันราชาแปลว่าความสุขใจความพอใจในเราแปลตามคำพูดคำว่าราชาคำนี้แปลว่าความสุขใจพอใจ ไปเปิดพระไตรปิฎกอคัญยโสธีคณิกายปฏิกวักเล่มที่สิบเอ็ดข้อที่หกสิบสองฉบับภาษาบาลีสยามรักหรือฉบับไหนๆก็าตามมันจะตรงกันคืออคัญยโสธีคณิกายปฏิกวักเล่มที่สิบเอดข้อที่หกสิบสองเป็นต้นไปหน้าไม่ตรงกัน พระพุทธเจาพูดถึงคําว่าราชาได้เกิดขึ้นในนี้ว่าดูก่รที่สุดทั้งหลายคําว่าราชาอักษรว่าราชาราชานี้ก็เกิดขึ้นเกิดขึ้นในโลกนี้มานานโดยเหตุที่บุคคลคนนั้นทําให้คนทั้งหลายเป็นสุขใจพอสดพอใจคือบ้านเมืองเดือดร้อนวุ่นวายมีการลักกันป้นกันเข็นข่ากันโกหกกันนอกอกนอ ก, นอกใจกัน แล้วก็ฆ่ากันจิดเล่าเมาอย่าสังคมวุ่นวายปัญหาสังคมมากไม่มีทางออกก็เลยประชาชนทั้งหลายเลือกเอาบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่มีบุคลิกภาพร่างกายสงา่าพาเผยกยำยาลาสันให้มาเป็นหัวหนา้าผู้ปกครองไม่ต้องทำอะไรคนนี้ก็เลยมาออกกฎหมายคนไหนทําผิดทําชั่วําให้เพื่อนฟงุงเดือดร้อนวุ่นวายจับมาลงโทษ แล้วคนไหนดีก็ยกย่องสรรเสริญบ้านเมืองก็เลยสงบร่มเย็นคนทั้งหลายก็ร้องเพื่อไปทุกหย่อมหญ้าวราชาชาราชาชาราชาชาราชาราชราแปว่าเป็นสุขใจพอใจสุขใจพอใจดูก่อนที่สุดทั้งหลายด้วยเหตุแห่งการทำให้คนอื่นเป็นสุขใจอักครคําว่าราชาก็เกิดขึ้นนี่ ราชาแรกๆมันเกิดขึ้นมาจากความพอใจความสุขใจทีนี้เมื่อเอาทำมิกราชาหรือว่าทำมิกราชามารวมกันเข้าแล้วแปลฮักความโดยสมบูรณ์ก็จะได้ความว่าทำมิกราชาหรือว่าทำมิกราชาแปลว่าความสุข ใจที่ประกอบไปด้วยธรรมหรือว่าความพอใจที่ประกอบไปด้วยธรรมท่านนักลัยลองลองคิดดู ว, ว่าธรรมมิราชานั้นคือความเป็นสุขใจที่ประกอบไปด้วยธรรมความสบายใจความพอใจที่ประกอบไปด้วยธรรม เพียงแค่นี้ท่านก็จะเห็นความหมายที่แท้จริงว่าบ้านเมืองที่เดือดร้อนวุ่นวายอยู่ทุกวันนี้เพราะอะไรเพราะว่าคนเราไม่มีความสุขใจที่จะประกอบไปด้วยธรรมคือความถูกต้องความดีงามคนเราไม่พอใจที่ประกอบไปด้วยธรรมความเดือดร้อนวุ่นวายก็เกิดขึ้นอาเป็นนว่าธรรมิกราชาไปไว่าย่างนี้ แล้วเราก็เข้าใจว่าธรรมนิกราชานั้นหมายถึงพระเจ้าแผ่นดินที่ประกอบไปด้วยธรรมึม่งก็ถูกแล้วถูกแล้วแต่ก็ยังแคบจนเกินไปถ้าพระเจ้าแผ่นดินประกอบไปด้วยธรรมพระองค์เดียวแต่ข้าราชการไม่ประกอบไปด้วยธรรมพ่อค้าไม่ประกอบไปด้วยธรรมนักวิชาการไม่ประกอบไปด้วยธรรมไม่อยู่ในสิ้นในธรรมประชาชนไม่อยู่ในสิ้นในธรรม พระบาสสมเด็จพระเจ้ า, จาอยู่หัวทรงตั้งอยู่ในทัศวิัตราจะทำสมบูรณ์แต่บุคคลที่อยู่เป็นพระเนตรพระกันเป็นหูเป็นตาข้าราชาการตลอดทั้งพ่อค้านักวิชาการและประชาชนไม่อยู่ในธรรมมันก็จะทำให้สังคมไม่มีความสุขใจความพอใจความสงบความร่มเย็นดังเราจะเห็นอยู่ทุกวันนี้ พระเจ้าแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชการปัจจุบันของเราพระองค์ทรงประเสริฐสูงส่งที่สุดพระองค์มีทศนิราจะทำอย่างสมบูรณ์แบบอย่างเทนิทิหาที่ติเตียนไม่ได้แต่เสร็จแล้วบ้านเมืองของเราก็ยังอยู่ในสภาพเช่นนี้เพราะว่าข้าราชการตลอดทั้งพ่อค้านักวิชาการยังไม่เอาตัวอย่างยังไม่อยู่ในสินในีรมเหมือนกับพระองค์ มันก็ยังไม่มีความสุขความสงอบร่มเย็นเท่าที่ควรเท่าที่ควรแต่ขอบอกให้ทราบไว้ก่อนว่าถึงแม้ว่าจะไม่มีความสงอบร่มเย็นเท่าที่ควรแต่เราก็ได้รับผลแห่งธรรมมิกราชาคือพระราชาที่ประกอบไปด้วยธรรมถ้าหากพระองค์ไม่ทรงตั้งอยู่ในศิ้ในธรรมแล้วบ้านเมืองยิ่งจะเร็วร้ายไปยิ่งกว่านี้แต่เดนนี้เราได้ อยู่ภายใต้ร่มเงาแห่งพระบรมโพธิสมภารมหาธรรมิกราชเจ้าคือพระเจ้าแผ่นดินพระยาโยหัวทรงตั้งอยู่ในธรรมจึงทำให้เรายังอยู่ได้ด้วยพระบา ร, รมีอันนี้สงบกลมเย็นโย่ทีนี้จะหากข้าราชการก็ดีพ่อค้าประชาชนนักวิชาการต่างหลายยึดเอาเป็นตัวอย่างดังที่พระองค์ทาเป็นตัวอย่างให้เห็น มันก็ริงจะมีความสงความสงบร่มเย็นนี่เพียงแต่พระองค์ตั้งอยู่ในทิศในธรรมพระองค์เดียวเท่านั้นก็ยังมีอิทธิพลอำนาจแผ่ภัยศาลให้ข้าราชการที่ดีๆหลายคนเอาอย่างแต่ที่ชั่วชั่วเร็เวเร็วก็ยังมีมก็ยังมีมากเป็นอนว่าธรรมมิกราชานั้นความหมายที่เห็นได้แคบ ได้ชัดชัดแต่มันยังแคบนะก็คือพระราชาที่ตั้งอยู่ในธรรมแต่ความหมายที่แท้จริงที่ลึกซึ้งกว้างขวางความเป็นสุขใจความพอใจในการที่ประกอบไปด้วยธรรมเป็นธรรมบัตรนี้ท่านทั้งหลายก็ยังสามารถที่จะเป็นธรรมมิกราชได้คือเมื่อใดท่านมีความสุขใจพอใจในการต่บพติธรรมสร้างคุณงามความดีไม่รู้จักเมื่อนาย ไม่รู้จักอิ่มไม่ท้อแท้ไม่ท้อถอยต่อความชั่วทั้งหลายตนเองพอใจที่ได้สร้างคณงามความดีประพฤติดีคิดดีพูดดีถ้าอย่างนี้ทามิกรหันมันก็เกิดขึ้นแล้วในใจของท่านนะเป็นอะไรว่าเราเข้าใจทำมิกราคือความพอใจสุขใจที่ประกอบไปด้วยธรรมที่นี้ทำไมจึงจะต้องมีทำมิกราชาทำมิกราชาหรือว่าทำมิกรา คำถามคำนี้ก็จะต้องย้อนกลับเึิดไปสูนตัวเราเองว่าเราต้องการความสุขใจความพอใจหรือไม่ถ้าเราต้องการความสุขใจความพอใจเราก็จาเป็นจะต้องประกอบไปด้วยธรรมคือเป็นธรรมมิกราธรรมมิกราชาเทนี้มันก็หลีกเลี่ยงไม่ได้คนทั้งหลายเกิดมาในโลกนี้ไม่หวาดขายตั้งนั้นมีความรักตัวกลัวตาย เบื่อนายต่อความทุกข์ปราบฐนะต่อความสุขด้วยกันทั้งนั้นถ้าใจไม่เป็นสุขอะไรอะไรมันก็สุขไม่ได้มันไม่ช่วยให้ดีให้งามขึ้นมาเลยสักอันเดียวถ้าหากใจเป็นสุขแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เดกก็งามโลกก็เป็นโลกที่น่าเยาะสังคมก็เป็นสังคมที่สงบตรมงับทุกคนมีใจอันสงบเยือกเย็นมีใจอันประกอบไปด้วยสิน้วยธรรม แม้แต่ยุงตัวหนึ่งก็น่ารักอไม่จําควูไปถึงคนยุงที่มันกัดกินเราเนี่ยห้าวันใดจิตใจท่านเปี่ยมล้นไปด้วยธรรมมีปีที่มีปาโมดเกิดจากความสงบระงับตั้งแต่สัตว์เต่เดียวยุงตัว น, น้อยก็ยังน่ารักน่าหยอกเย้าเขาขึ้นจากกาะก้าวไปใหญ่ถึงผู้คนด้วยกันต้นไม้ต้นไร่คนน่ารักเป็นเพื่อนของเราทั้งนั้น นี่ในเมื่อใจิตใจมันประกอบไปด้วยธรรมมันพอใจมันสุขใจทีนี้ถ้าเกิดความสุขใจความพอใจไม่มีต่อให้มีเงินล้นแผ่นดินมันก็จะตกนรกติดแอตกนรกติดแอรตกนรกบนเครื่องปินตกนรกบนรถเกง๋งตกนรกเกือบบนตึกติดแอคือความ ร, าร้อนทางใจเพราะฉะนั้นทำไมจึงต้องเรียกร้องหาธรรมิกราชาก็เพราะว่าเราต้องการความสุขความสงบความร่มเย็นความพอใจ แล้วทำถามต่อไปว่าเราจะมีทา ม, มิกราชาเพื่ออะไรเพื่ออะไรอันนี้คำตอบจากข้อที่สองก็ทําให้เราเห็นได้ชัดพอามนุษย์เราทุกชีวิตเกิดมาในวัตถองสารในโลกนี้ก็ยอมปรารถนาต่อความสุข เมื่อมีความสุขใจมีความพอใจแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็เห็นทีจะต้องสมบูรณ์แบบหยุดอยู่เพียงแค่นั้นเพราะนั้นเพื่ออะไรก็คือเพื่อความสุขความสงบร่มเย็นแก่ตนเองแก่คนอื่นแก่แผ่นดินแก่แผ่นฟ้าแก่น้ําแก่ไฟแค่ลม้มทั้งหมด เมื่อมีศีลมีธรรมแล้วโลกมันจะสงบไปแม้กระทั่งแผ่นดินและแผ่นฟ้าอาตมาใช้คําพูดกว้างๆอย่างนี้ให้ท่านทั้งหลายได้หัวเราะเลยคนประกอบไปด้วยธรรมแผ่นดินสงบไม่ใช่แผ่นดินโลกขัสนิว่าเพียงแต่ตัวคนแต่มันจะสงบทั้งแผ่นดินแผ่นน้ําทั้งลมเดี๋ยวนี้แผ่นดินสงบไหมน้ําสงบไหมลมสงบไหม แผ่นดินก็ไม่สงบเพราะคนไม่พอใจไม่สุขใจในการเป็นอยู่ในธรรมเต็มไปด้วยความโลภจนไปป้นแผ่นดินป้นธรรมชาติป่าไม้ได้เฮีนเต้เพราะความโลภความไม่พอใจสิ่งที่ตนเองมีอยู่พ่อค่าเศรษฐีนายทุนไปทําลายป่าจนเตี้ยนจน แผ่นดินเกิดผลตกมาน้ำไหลท่วมภูเขาพังทลายแลนสไลด์อย่างบ้านกระทูนนะครศรีธรรมราชบ้านเรานั่นก็เพราะดินไม่สงบแต่แล้วมนุษย์ไปป้นธรรมชาติน้ำก็ไม่สงบแผ่นน้ำก็เป็นพิษรบปลาคาฟันกันท่วมมหาสมุทรจะนองไปด้วยสายเลือด ไม่ว่าจะเป็นอัไซดราอาลเปเซียอาลเซเตอะไรก็ตามเถินพร้อมกันนั้นไม่น้ำก็ยังไปทำที่เจาะเอาแก๊สน้ามันอยู่ใต้ดินดูดขึ้นมาเผาเมื่อเผาแล้วมันก็ละลายขึ้นไปเป็นแก๊สเป็นเป็นคาร์บอนแล้วมันก็ก่อให้เกิดความร้อนในโลกสูงขึ้น เมื่อความร้อนในโลกสูงขึ้นมนุษย์กรอบพยายามที่จะสร้างความสะดวกสบายพยายามแยกแยะนักวิชาการคน้นคว้าสารต่างๆถึงขนาดพลังงานนิวเคลีย์ค้นพบธาตุฟูโตเนียมฟูโตเนียมเอามาสร้างเป็นนิวเคลีย์ หลังากนั้นก็มีพลังงานโรงงานพลังงานนิวเคลียบ้างโรงงานแก๊สใหญ่ๆบ้างสิ่งต่างๆเหล่านี้มนุษย์ผลิตขึ้นมาป้นมาจากดินในที่สุดเอามาแล้วมันก็เป็นอันตรายอย่างเกา่าอย่างสารพูตโตเรียมพูตโตเนียมเนี่ยที่เรียกว่านิวเคลียวอสคือกาก กากของนิวเคลียร์เมื่ อ, อทำเป็นพลังงานแล้วไม่รู้จะเอาไปทิ้งไหนเอาไปฝังในดินห้าแสนปีมันยังจะหมดคุณภาพที่เป็นพิษเป็นภัยกับมันตะภาพรังสีเอาไปทิ้งลงในน้ำสองแสนห้าหมื่นปีแล้วยิ่งไปกว่า น, นั้นอยู่ดีๆวันดีคืนดี โรงงานนิวเคลียร์พลังงานนิวเคลียร์ก็ระเบิดตูมขึ้นมาที่เมืองเสโนบินตำบลสโนบินในเมืองเคียบทางประเทศรัสเซียอย่เมื่อปี2529นั้นเโรงงานพลังงานนิวเคลียร์ระเบิดตูมขึ้นมากรมมันดภาพรังสีอันเร็วร้ายนี่ก็ละลายขึ้นในอากาศถลยพุ่งขึ้นถึง500กิโลเมตรแล้วก็พัดกระจายไปกับ เป็นแล้วมันก็เป็นพิษเป็นภัยไปถึงไหนก็เป็นพิษเป็นภัยถึงนั่นกำมันดาภาพบรังซีอันเรวร้ายเอาละนี่คือเหตุการณ์หนึ่งที่เป็นปรากฏการณ์อันมนุษย์ได้สร้างขึ้นมาแล้วอยู่ดีๆปีสองพันห้าร้อยี่สิบเจ็ดอการก็รั่วออกมาจากโรงงานแยกการพลังงานของ บริษัทอยเนียนคาไบาที่เมืองโบปานประเทศอินเดียซึ่งเมืองเนี้จะมามีเพื่อนหลายคนมานี่คงตายไปแล้วรั่วออกมาตายทันที 2, สองพันศพหลังจากนั้นผู้คนทั้งหลายก็ชักดิ่นชักงอหูหนวกตาบอดกันไปแขนกูขาขาดกันไปเปื่อยมันเป็นพิษหาวห้ามส่งโรงพยาบาลทั้ง ส่มืนห้ามืนคนจะไม่มีที่จะรับดูนี่คือฝีมือของมนุษย์นั่นมันเกิดมาจากความเป็นผู้ไม่มีศีลมีธรรมของนักวิชาการและของบุคคลชั้นผู้ใหญ่นั่นไม่มีศีลมีธรรมที่มีอำนาจวาตนาก็เลยคิดค้น คิดค้นสร้างสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาเพื่อจะทำ้ายกัน่อะไรก็แล้วแต่เิอแล้วมันก็เลยเป็นการทำลายกันทั้งทางตรงทางอ้อมไม่จะ่ทำลายแต่มนุษย์มันกลายเป็นการทำลายทั้งแผ่นดินแผ่นฟ้าแผ่นน้ำเราจะมาพูดไปไกลถึงข น, นาด น, นี้ที่บอกว่าทำลายแผ่นดินแผ่นฟ้าแผ่นน้ำพอมนุษย์ไม่มีธรรมไม่มีธรร ม, มิก ร, ราชไม่มีธรร ม, มิก ร, รา ไม่สุขใจไม่พอใจที่ประกอบไปด้วยทานั้นเมื่อสารพูโตเนียมของที่เป็นกากเดนของนิวเคลียนี่หรือตัวพลังงานนิวเคลียร์นี่ที่มันละลายก็วมันแตกระเบิดไปมันก็กระจายไปทั่วแล้วก็ยิ่งไปกว่านั้นมันมีการรัว่วมีการระเบิดอยู่หลายแห่งเป็นถูกปิดเป็นความรับ แล้วก็พวกกากของมันเนี่ยไปทิ้งมันก็ยังเป็นที่เป็นภัยละลายขึ้นไปในแผ่นน้ําแผ่นฟ้าในลมในอากาศหลักใข้าวมันก็สะสมกันมากขึ้นมันก็ไปจับมันละลายขึ้นไปเป็นไอ้น้ําไปเป็นเมฆมันกดกรรมทันในนั้นแล้วก็พลพลังงานกัมมันตภาพรังสีของพลังงานนี่มันไปรวมกันเป็นเมฆมันเป็นฝนตกลงมา ที่นี่นที่ตกลงมานั้นมันก็มีพิษเรียกว่าเอซิสเรนภาษาฝรั่งว่าเอซิสเรนก็เลยกลายเป็นน้ำจืดที่มีพิษตกลงมาใส่ต้นไม้ต้นไม้ก็อกุดหนิงอไม่เจริญตกดีแต่ก็ไม่เจริญมีน้ำซ้ำก็ทำให้เกิดแบคทีเรียใหม่ๆกับเอซิสเรนกับ กฏที่มีเจือมาในน้ําฝนทําให้เกิดเป็นพญาตต้นไม้เป็นอะไรต่างๆและไปขังกันในน้ําก็ยังทําให้เกิดน้ำกฏอยู่ในน้ําเป็นน้ําจืดที่มีกดทําให้ปูปลาเต่ากุ้งหอยซึ่งอาศัยน้ําจืด อ, อยู่ก็เกิดพญาตเกิดโรคเป็นบาดเป็นแผลเบ้อวะล้มหายตายกันไป ในเห็นไหมมันสั่นคลอนทั้งแผ่นฟ้าทั้งแผ่นดินทั้งน้ําทั้งลมน้ําก็มีพิษลมก็มีพิษเีนี้ดินก็มีพิษไม่มีต้นไม้ยึดติดฝนตกหน่อยพังทลายเกิดแผ่นดินไหวมากขึ้นเพราะความร้อนของโลกสูงขึ้นมนุษย์ได้ดูดเอา ฟ, อ, ฟอสซิลเอ็ น, นเชื้อเพลิงพลังงานต่างๆใต้ดินขึ้นมาเผา เผาแล้วมันไม่ใช่เผาธรรมดามันเผาโลกให้เราร้อนเดี๋ยวนี้ทางคิตี้ความร้อนของโลกก็บอกชัดมาแล้วว่าสิบปีความร้อนสูงขึ้น 0.5 องศาเซนติสิทธ์20ปีก็ถึง1องศาเซนติสินับวันที่ความร้อนในโลกนี้จะสูงขึ้นสูงขึ้นจนมนุษย์และสัตว์อยู่ไม่ได้แล้วก็จะตายไป นี่ก็เพราะเหตุแห่งความไม่มีธรรมิกราชคือไม่พอใจไม่สกใจที่ประกอบไปด้วยธรรมเป็นอยู่โดยธรรมช่วยเลือกันโดยธรรมเด๋ยนนี้ทะเลสามในโลกได้ดตายไปแล้วไม่น้อยกว่าสองพันห้าร้อยแห่งเมื่อปีสองพันห้าร้อยยี่สิบเก้าหยกหยกที่ผ่านมาสถิติ environment สภาพแวดล้อมเขาก็ได้เขียนออกมาให้เห็นหวาในประเทศสหรัฐอมเมริกาทะเลสาบน้องหานแบบน้องหานเราเนี่ยทะเลสาบใหญ่ๆน้ำจืดแบบน้องหานเราล่ได้ตายไปแล้วหนึ่งร้อยยี่สิบสามแห่งในอมเมริกาในแคนาดาซึ่งติดกับอมเมริกาเนื้อขึ้นไปน้น ทะเลสาบตายไปแล้วสามร้อยแห่งในประเทศเชโกโชโลวากียในกลุ่มแคนดินาเวียนรวมกันข้าวทะเลสาบตายไปแล้วพันแปดร้อยกว่าแห่งไอ้ที่บอกว่าทะเลสาบตายนั้นไม่ใช่ว่าน้ำแห้งหมายาว่าน้าในทะเลสาบเป็นพิษจนเต่าปูปลากุ้งหอยมันอยู่ไม่ได้มันพากันตายหมด ที่มันเป็นพิษเพร า, าน้ําที่ตกลงมาจากฟ้านั้นมีพิษนี่อาจามาคิดไปไกลกว่านั้นมาอันที่มันเป็นพิษนั่นเพราะปุ่ยมือของมนุษย์นี่เองแล้วเมื่อปีนี้เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาเนี่ยเมื่อปลายปายเดือนอาจะมายังจําได้ว่ามีการประชุมกันระดับชาติถึงสองร้อยกว่าประเทศ ไปไประชุมกันที่ประเทศอังกฤษเกี่ยวกับเรื่องสภาพแวดล้อมเป็นพิษโอโซนเรเจอร์ชั้นแห่งอากาศ <c oughs> ที่เราหาย ใ, ใจอยู่ทุกวันเนี่ยมันมีความร้อนในโลกมากขึ้นอากาศได้น้อยลงน้อยลงทำให้โอโซนนี่เบาบางที่เป็นอากาศที่หนาแน่นกันกองแสงอุ่นตาไวเอร์เลสจากดวงอาทิตย์ ที่มันกล้าแผดเผาให้เกิดมะเร็งในผิวหนังเกิดโรคภัยทั้งหลายต่างเดี๋ยวนี้มันง่ายในการที่จะเกิดโรคภัยไข้เจ็บและง่ายที่เราจะอ่อนแอจะตายเอาเร็วๆเพราะว่าความร้อนในโลกสูงขึ้นทําไมความร้อนในโลกสูงขึ้นเพราะมนุษย์ได้เผา เชื้อเพลิงแก๊สเกิดอะไรต่างๆดูดมาจากดินแล้วมาเผาอยู่ในโรงงานเอามาใส่รถใส่เรือวิ่งป้าไปปาดมานี่แหละมันออกกันแล้วมันไปเผาอากาศแล้วในสภาวะก็ทำให้เกิดความร้อนแก๊สเหล่านี้ที่ออกเป็นคาร์บอนเป็นคาร์บนที่ออกมาจากท่อไอเสียต่างๆก็ไปรวมกันเป็นความชื้นในอากาศเป็นเมฆเป็นฝนตกลงมามีกบทเอซิสเรน เป็นฝนที่มีน้ำกดและทําให้ต้นไม้ตายในประเทศมาลีต้นไม้ตายอย่างไม่มีใครถางหรือในประเทศทางสหรัฐอเมริกาในประเทศจีนวันชชชนที่มีโรงงานแก๊สใหญ่อยู่นั่นต้นสนซึ่งเป็นป่าสนนี่ ง, งามมากเลยตายไปแล้ว 90% เอร์เซไม่มีใครถางมันดอกมันตายเอาเองมัน นี่ก็เหมือนกันอาตมา น, นั่งรถผ่านไปทางโน่นทางน้องบลลุญลำพูหรือบางทีก็ผ่านไปทางโคราชเวลาไปเทศโคราชออกไปทางโน้นทางอำเภอโชคชัยกระทอกโชคชัยนะครราชจะสมาไปทางเสริมสางไปทางน้องบุญนานะออกไปทางบุรีรัมย์โคราชบ้านเอ็งหนุน่นโรงงานมันใหญ่ๆแถวนั้นเวยต้นไม้งอกมดมันจะตายมันไม่งามเลยนี่ เพียงแต่โรงงานมันธรรมดาทนี้จะกล่าวไปใยญ่ถึงไอสารพิษที่มันจะเกิดขึ้นมาจากพลังงานนิวเคลียร์จากพูตโตเนียมอันเขาเอาไปท่าแล้วไปสร้างทำนิวเคลียร์นันมันก็ทำให้ต้นไมต้มา ต, าตายโดยไม่มีใครถามประเทศที่จเจริญทางอุตสาหกรรมต้นไม้ตายไม่ได้ทางทําไร่ทํานาในชวีบ อัฟริกาอย่างในประเทศมาลีทะเลทรายซาฮารามาลีเนี่ยแต่มาก็มีเพื่อนเยอะเคยตกเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศสคนมาลีเขผู้ภาษาฝรั่งเศสเก่งโกเซเบอเยเชเรเยไว้เจ้ า, าพูดเก่งเราต้องพยายามจะต้องทำทาความศึกษาสังเกตพอเราพูดภาษาอังกฤษกับชาวมาลีไม่ค่อยรู้เรื่องแต่เราก็เป็นเพื่อนกันในสมัยเคยทางานร่วมกัน เขาบอกว่าปีหนึ่งหนึ่งต้นไม้จะตายขยายออกไปเรื่อยที่ทะเลตายสหาล่างสิปียี่สิบ ป, ปีช่วงระยะยี่สิบ ป, ปีต้นไม้จะตายขยายออกไปถึงสามร้อยแปดสิบกิโลเพ <c oughs> <c oughs> ราะไผ่ทานหลายลองคิดดูไม่มีใครท้างมันตายเองมันตายเพราะความร้อนสูงมันตายเพราะฝนมีกดแล้วนี่จะเห็นได้ว่าต้นไม้ต้นไล ก็ล้อมตายโดยฝีมือของมนุษย์ที่ไม่มีศีลธรรมแผ่นน้ำก็มีพิษทำให้ปลาตายทำให้กุ้งหอยตายแล้วมาบ้านเราเมื่อเร็วๆมานี่ประมาณไม่ถึงสิบปีมานี้ก็เกิดปรากฏการณ์แปลกปลาเป็นบาดเป็นแผลเวอะว ะ, วะลอยโจโรโจโลตายไปแล้วครึ่งตัวก็มี เราก็มาแก้สันญฐานว่าเกิดมาจากปุ๋ยว่างเกิดมาจากยาฆ่ า, มาแมลงบ้างอาจจะมานั่งรถไปนั่งชมวิวที่ริมทะเลสาบคาสเบียนเขาไม่ได้ทําไร่ทํานาใส่ใสปุ๋ยเสร็จปล่อยเฉยาอะไรหรอกแต่ไปที่ทะเลสาบคลัสเบียนก็ไปเห็นปลาลอยโจรอยโจรอยโจรอ ย, รยขาดไปแล้วครึ่งตัวเป็นแผลเปอว่าไปหมดเหมือนกับบ้านเราแล้วก็เห็นมันตายฟูน้ำเป็นน้ำอมอมยู่ ทั้งหมดนั่นแหละเราเข้าใจกันแคบเกิดมาจากฝนน้ํากดที่มนุษย์สร้างขึ้นมานี่เองเพราะฉนั้นท่านนังหลายก็ต้องเข้าใจว่าธรรมมิตรราชคือพอใจสุขใจที่ประกอบไปด้วยธรรมนั้นทําให้โรคสงบร่มเย็นแต่ในนี้โลคมันไม่ร่มเย็นแผ่นดินก็ถูกป้อนจนแผ่นดินไว้เป็นแผ่นดินพังแผ่นดินสุดน้ํา ก็ถูกฝีมือของผู้ไม่มีศิลนมีธรรมปูยี่ปูยาจนน้ำเป็นพิษปูปลาอยู่ไม่ได้แล้วไม้ตายไปอากาศที่เราหายใจนี่ก็มีพิษมีความร้อนสูงขึ้นสูงขึ้นแล้วเราก็จะอยู่กันไม่ได้ในประเทศญี่ปุ่นเดี๋ยวนี้ได้ซื้อลมหายใจในโรงงานหนึ่งหนึ่งเวลาจะออกจากงานเขาจะแจกถุงลมเขาเรียกว่าเพียวออกซิเจน คือลมหายใจอันบริสุธิ์ซึ่งมีเครื่องกันเครื่องกองและถือไปดมไปหายใจเหมือนเด็กน้อยดมกาวต่อไปเมืองไทยอาจจะได้ซื้อดบบางตายเลยคนยากคนจนตั้งแต่ซื้อเขาเส่ปากกันยังอืดและเราจะว่าอย่างไรทั้งหมดนี้มันเกี่ยวกันกับฝีมือของคนที่ไม่มีศีลไม่มีธรรม ปีนี้ฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาลดีมากเลยพี่น้องบ้านเราอาจจะมาเห็นแล้วก็โอ้ยสาธุอนุโมทนาสาธุการสาธุเดอขอให้ตกดีๆยันสิแล้วก็ดีใจกับญาติโยมวันก่อนไปเทศที่กุสตุมานั่งรถผ่านไปทางอากาศอํานวยทางนาว่านี่ มองเห็นข้าวเคี้ยวกะจีขนน้นนไปกับทุกๆลุ่มลำห้วยลำฐานน้ำไหลเอื่อยออ ย, อ, อ, ยอย่างสงบงามเ็นและเป็นภาพทีทราบซึ้งใจนึกถึงพระพุทธเจ้าวะพิสุท์ทั้งหลายฝนฟ้าตกต้องตามระดูการพืชพันธัญญาหารเจริญ ง, งอก ง, งามชาวนาประชาชนได้ทำไร่ทำนาเธอทั้งหลายอย่าประมาทให้รีบทำความเพียรบรรลุทาที่ยังไม่บรรลุให้เห็นแจ้งําที่ไม่เห็นแจ้ง ในสมัยอื่นอีกมันจะเกิดความแห้งแงล้งฝนฟ้าไม่ตกต้องตามระดูการชาวบ้านอดอยากขาดแคลนจะไม่มีใครสนับสนุนด้วยปัจจัย4ีการที่พวกเธอจะคบคิดทําอันละเอียดให้บรรลุทำที่ยังไม่บรรลุเห็นแจ้งทำที่ยังไม่เห็นแจ้งเป็นไปได้ยากประชาชนไม่มีข้าวปลาอาหารกินเขาจะอพยพโยกย้ายไปถิ่ที่สมบูรณ์แม่เธอก็จะต้องตามเขาไปด้วยก็ไปอยู่ครับข้างยากที่จะคบคิดทําอันละเอียดของภาศาสดา ถ้าฝนตกให้รีบทำความเพียรอย่างประมาทเนะท่านสอนเราอย่าประมาทนะปีนี้ฝนตกท่านบอกปีน่าอาจจะแรงอาธรมาก็ถือโอกาสนี้เตือนโยมฝากลมฝากแร ง, งต่อไปว่าอย่ามัวประมาทปีนี้ฝนตกดีขายข้าวเขียวขายข้าวเขียวซื้อเลขอาจารย์ดีเพิ่นเดียวมาทางน้นทางนี้และเจ๊หายดยอีกหน่อยลูกสาวก็จะขายสองกสอบซื้อกางเกงยีน พ่อแม่ก็ฝันหวานจะขายไปแต่งงานให้ลูกชายใช้หนี้กเกษตรสาก์บ้างระวังให้ดีอาไมจะจะฝากท่านตั้งหลายให้เก็บไว้ก่อนถ้าปีนี้ได้ข้าวได้ปลารอให้เห็นฝนใหม่ฟ้าใหม่เห็นหน้าน้องใหม่ของข้าวปีต่อไปค่อยขายจะดีที่สุดเรายังไม่มีประสบะการณ์ ยาประมาตปีนี้ฝนตกดีอาจจะแล้งไปอีกสามปีก็ได้เพราะดินฟ้าอากาศไม่เหมือนเก่าคนไม่มีสินมีธรรมปีนี้คอยท่านนังหลายดึงสินดึงทำมาไว้ใส่จิตใส่ใจเมื่อมีข้าวมีป่าฝนฟ้าตกต้องตามฤดูการฝ่าหมาเปลี่ยงฝ่าเหลี่ยมปนฝ่าให้ทังเท่ แขนเอเลกอบเขียนย่ามเห็นฝนคนเช้าหน้าดีใจซื่นส้มหัวแม่งแรลงหรือเสาทํหน้าก่าหวานอุตสากรสั่งจะเลิ่อยิงเลือนหลังฟงมูซาลีเขาในหน้าหัวให้ทั้งหมากใหม่แตงแตเต่าโมมั่นฝนตกต่องและดูการทยวานทุชฉโพรตเขาเขียวออดอ้วนอ่อนงา้ามมหาคุณหล่นแดนดินผอมพึ่งซา์อยู่ใต้ลมฝ่าฝนเลี่ยงจังยูยนิน ชกแทงห้องแห่ฮักหอแพ่งกันพี่น้องเอ้ยเกิดมาเห็นกันสัวข้าวสีตากจากกันตายเกี้ยงให้เจ้าถือถ้ำมันเห็นกันแห่ฮักโูบกันเด้อเพื่อจังห้าพี่น้องเพื่อนไก่เกี่ยวกันคว่ำพิษของมองใจแห่หายเหตุกันทอนอย่าได้วิวาดเว้นว่างทิมพห่างไกลมีแต่ใจบุญเกี่ยนเสมอกันกำกึงสินหาหูถ้ำพระเจ้าเพันสั่งสอน มโนนอมคุณนถ้ำให้เฮียนหีบเที่ยนท ร, รมต่างบุญหน่สีสุมเย็นให้เจ้าจงใจเว้นปาปังท่างโถดสันโดดด้วยแนี่ยใด้เขื่องมีจังสีแล้วเป็นเอิญวาแผดดินถ้ำมีแต่ความสงบสุมเย็นแรล่งเศ้าแสนทีสุขีหล่นสวรรคคนมนุษย์หลกบอมีถูกโศกเศร้าถ้ำพระเจ้าเหลื่อมมุ่งคำกล่าวนี้อยากจะฝากลมฝากแรงเตือน อ้อนเตือนพร่ำวอนบอกกล่าวพร่ำสอนท่านทั้งหลายขอให้ท่านอยู่ในศีลในธรรมอย่ า, าประมาทเมื่อฝนตกต้องมีข้าวมีปลาขอให้รู้จักพอใจให้เจ้าจงจเจวินปลาปังท้่งโทษสันโดดด๋วยแนวด่ายเของมี ให้พอใจสิ่งที่มีอยู่ในวันนี้ปีนี้ฝนตกดีมีข้าวมีป่าจงพอใจไว้ก่อนอย่าคิดมากเกินกว่านั้นเหมือน้ายข้าวไปซื้อสิ่งที่ยังไม่จําเป็นเพราะพระพุทธเจ้าบอกว่ า, วาในสมัยอื่นอีกฝนจะแห้งแล้งข้าวจะยากมากจะแพงให้รีบสร้างุลงามความดีตักตวงไว้ก่อนถ้าตมากเาม็เป็นห่วงทั้งญาติยอมเป็นห่วงทั้งพระสองฆ์จาม จึงได้นำเรื่องท ร, รมิกราชมาพูดเดี๋ยวนี้ดินเป็นพิษน้ำเป็นพิษลมเป็นพิษนอกจากเป็นพิษหายใจไม่เต็มท้องความร้อนสูงขึ้นแล้วลมยังเป็นพิษคือพัดไม่สม่ำเสมอยิ่งโลกมีความร้อนมากขึ้นลมก็ยิ่งพัดไม่สม่ำเสมอพัดไม่เป็นทิศเป็นทางมาจะพัดมาแรงมากฝนตกใหม่ๆลมแรงมาก แรงผิดปกติเพราะว่ามันมีความร้อนในโลกสูงเมื่อแล้วมันไม่มีอะไรส้านทานต้นไม้ต้นไม่ถูกทําลายประเทศยากจนก็ทําลายป่าเพราะคนยากคนจนไม่มีอยาอยู่จะกินเศรษฐีนายทุนหน้าเลือดเอารัดเอาเปรียบจนเกินไปก็ต้องบุกร้างทางพงเมื่อบุกร้างทางพงป่ามันก็เหี้ยนเตะมันกเกินความร้อนไม่มีอะไรประทะลมก่อพัดแรง มีประเทศอุซ่าหกรรมคนทำลายป่าพ่อค้าทำลายตัดไม้ใหญ่ไปขายคนยากคนจนทำลายปลูกมันปลูกปอในประเทศที่เจริญไม่มีใครทำลายต้นไม้ตายแห้งยืนโกนเพราะถูกกรรมมันดาภาพลังสีจากเอซิสเรนจากฝนน้ำกรดทะเลสาบตายทะเลทรายขายายกว้างต้นไม้ก็ยืนตายทั้งหมดนี่คือคนไม่มีทำมิตรราชทำมิกราชานั่นเอง เป็นอนุบาลนันนั่นงร้ายเข้าใจแล้วนะว่าทำมิกราชนั้นหมายถึงความสุขใจพอใจที่เป็นอยู่โดยธรรมไม่ว่าใครทั้งนั้นเป็นสิทธิ์ที่จะเป็นธรรมมิกราชมีสิทธิ์ที่จะเป็นธรรมมิกราชด้วยกันเมื่อเราเป็นอยู่ด้วยสินด้วยธรรมอยู่กันโดยธรรมช่วยเหลือกันโดยธรรมเป็นธรรมมิกราชพอใจที่ เป็นอยู่โดยทําสุขใจที่เป็นอยู่โดยทํามเมื่อ น, นั้นเราก็จะเกิดความสงบร่มเย็นถึงแม้ไม่มั่งมีสีสุขภายนอกแต่จิตใจก็สงบร่มเย็นเราพอใจในสิ่งที่มียินดีในสิ่งที่ได้ก็เลยไม่ต้องเป็นหนี้เป็นสินให้จิตใจกวาดแว่งกระวบนกระวายกันมากเรื่องธรรมิกราชนี้ไม่ใช่เรื่องเพอ้อฝันไม่ใช่เรื่องนิยายตำปาคนโบราณเขียนไว้ในหนังสือผูกลําพื้นเมือง ก็ได้เขียนทํานายเรื่องศาสนาพันธ์ที่หนึ่งก็ยังมีทำรรมิกราชเกิดขึ้นพอสอผ่านไปถึงพันธ์ที่สองสาตนาล่วงเลยไปถึงพันธ์ที่สองก็ยังมีพยาทำรรมิกราชเกิดขึ้นพอถึงทำที่พันธ์ที่สามคือพันธ์ที่เราเป็นอยู่เดียเ๋ยวนี้จะวุ่นวายปั่นป่วนมากแต่ก็ยังมีทำมิกราชเกิดขึ้นพอถึงทำที่สี่ถึงพันที่สี่ ท ร, ร ม, มิกราชไม่มีเสื่อมลงสเสื่อมลงพันที่ห้าลกเป็นไฟฆ่ากันหมดทร ม, มิกราชคำกล่าวนี้เป็นความจริงว่าพอสอผ่านมาสองพันห้าร้อยสามสิบสองปีนี้อยู่ในเขตพันที่สามก็ยังมีคนที่มั่นคงโดยได้สินในธรรมอย่างน้อยบ้านนี้เมือง น, นี้ก็มีพระเจ้าอยู่หัวรัชการปัจจุบันพระองค์เป็นแบบอย่างและก็ยังมีพระทรงองค์เจ้า ที่ท่านไม่เป็นสมองสามีที่ท่านไม่ต้องลอกลวงประชาชนแยกกกแยกเหล่าออกไปปลดปล่อยตนเองชักชวนประชาชนตีความของพะัะธมิตรในไตปีดกผิดผิดแปลบาลีเพี้ยนเอาเองรู้ด้วยยานยังมีพระดีๆที่ไม่เป็นอย่างนั้นก็ยังมีก็เลยช่วยให้เกิดธรรมมิการาทยังมีย่คนโบราณเขียนไว้ตรงนี้มันมาตรงกับคาสอนพทธเจ้า มีคำคำนี้เขียนไว้ในหนังสือลำพื้นเมืองตอนหนึ่งว่าศาสนาของพระเจ้าองค์ประเสริฐสะพันยู่ล่างเธอบกล่างเธอเต็มดังพจน์โย่เทึ่งฝ่าศาสานาหลวงเขาสองพันปีปลายเศษสองอยู่ห้องเห็นแจงหยอดถ้ำหาสิยังเหลือหน่อยในคลองพุดโถวส่วนหลายไล่ล่าถิ่มห้องสรงป้าปล่อยวินัยถือต่างแต่หน่อยพ่อเดย์ห่หอมล้วงอันนี้ส่วนที่ไม่ดี บางองค์ส่งเพจเพียงเพียงดังม่วนผิดโคมีหยดงานพาหนะขี่ไปคือชาวบาทมีเงินคำร้ายเลื้อหล่นคนเห็นลือซาบูชาหนกหนอบไหวลงว่าเจ้าตอนบุญบางองค์มีเงินคำร้ายเลื้อหล่นให้คนยืมเอาขีดดอกมันเอาพิษหีแฉกข้องประเจ้าสั่งซอนบางองค์ผ้าตะเหล่มการพานันขันต่อตัวหลอกหล่อให้โยมเล่นเติมน้าอันนี้ส่วนที่ไม่ดีและยังบอกว่า พิคูเจ้าองค์บดีทําให้เสื่อมองค์ที่ดีก็หักนี่มากหล่นเหลื้อหล่นอาไรก็น้องนี่แสดงว่าพันที่สามนี่องค์ดีก็ยังวีอยู่องค์ชั่วก็เยอะถ้ า, ากันเล่นการพนันหันต่อวันที่สิบห้าสิบหกวันที่สามสิบเอ็ดวันที่หนึ่งหัวจุ่มใส่กันเก่งเลขซื้อเลขกันปานโยมแล้วก็บอกพร่ออันนี้เราก็ไม่ได้ว่ากันไม่ได้ด่าใครพูดคว้าจริงมีคนโบาลานะพูดอย่างนี้แล้วก็ยังบอกว่าศาสนา ลวงเข่าถึงเขตพันที่สามหากัซอ ป, ปีเป็นต่างไปเรื่องเลื่อยมางนาเต่าหน่อยหน่วยแหงเนื่ยมันอยู่บนบกตับเกิดเป็นคลองนักจุมจ่มจมลงเพืชอศิลาก่อนกระดานหินนักมืน้นกับซิลอยกลองน้มฟู่ขึ้นจังซาโน่พ่อสีสอยสิเปญย่อยหากยองให้สิกับจองขึ้นแถมสอนปรงใบม้าจิงจอกสีด่ายนนั่งใจข้ามคุมโยธาภัยพ่นทั้งทาย หองคาผายเวหาเฮินเมกสิมโนบหนอบไว่เป็นแหล่งให้แกกาหนูสิ่งทำตาบ้าให้แม่บกดำก้มขาเสื้อโคงนบหนอบไวยขนาหนาเนื้อมูสมันต่อจากหั่นพัญญาทำสิมาสอยหินใหญ่หินยูนามสิจมล่องคือเกาหมากนำเตาหน่อยหน่ว ย, ยแหงสิฟูขึ้นดังเดิมนี่แสดงว่าถึงข้าวเสื่อมที่สุดแล้วก็จะมี คนที่พอใจประกอบด้วยธรรมเป็นสุขใจประกอบด้วยธรรมเกิดขึ้นมาช่วยกันให้บ้านเมืองสงบร่มเย็นอยู่ในพันธุ์ที่สามยังมีก็เดี๋ยวนี้เราอยู่พันุที่สามเห็นไหมละ่ะหนูสิ่งทำตาบาา้าให้แมวบักดํากลมขาก็เห็นแล้วคนธรรมดาสามัญโกนหัวปั๊บเข้าไปไม่ต้องโกนคิ้วนุ่งห่มดําๆทาท่าไม่กินเนื้อกินปลาแข็งแข็งคืแงอแมวบักดํากลมขา ปัญญาชนรุ่นใหม่ยังไม่ศึกษาให้เข้าใจชัดเจนฟังไฟก็เอาด้วยโอ้นี่พระอรหันต์พระอริยะเจ้าเนี่ยหนูสิ้นาระบ้าให้แมวบักดำก้มขามตายเป็นแมวบักดำไปนํากันให้เราเห็นได้ชัดเจนว่าทำอะไรดำาๆนี่เสื้อโคงนบนอบไหวขนาดเนื้อมูสามัสหนักๆ น, นักเข้ามีอิทธิพลเข้าไปถึงในทางการบ้านการเมืองผูหลักผูใหญ่ก็เกิดความเขารบ นบนอบมีกำลังแข็งกล้าขึ้นมากบเขียดหน่อยประห้องอา่านโค้งสารเหตุแห่งงูเผาผิดเหือยบกลัวเกงย่านคนกลุ่มน้อยทำให้คนกลุ่มใหญ่แม้แต่รัฐบาลยังสั่นคอนหวาดกลัวในที่สุดต่อจากหั่นระญ่าทมสิมาตอยหินยุนนาี่จมลงคือเกามากน้ำเต่าหน่อยหน่วยแห่งสิฟู่ข้นดังเดิม ต่อมาจะมีคนจริงคนกล้ามีคนที่รู้จริงพูดจริงทําจริงเป็นตัวอย่างให้เห็นประกาศชัดออกมาอันไหนเป็นบาปเป็นบุญเป็นคุณเป็นโทษอันไหนเป็นประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์อันไหนควรละอันไหนควรจเจริญอันไหนถูกต้องดีงามชี้ออกมามาแกะขี้ตาคนทั้งหลายก็ค่อยๆเข้าใจลืมตาขึ้นมาหินอยู่น้ำจมล่งคือเก่ามากนำเตาน่อยหน่วยแหง่งฟู่ขึ้นดังเดิม ความเห็นกงจักเป็นดอกบัวเห็นความชั่วเป็นความดีก็กลับคืนมาเห็นความดีเป็นความดีเห็นความชั่วเป็นความชั่วเห็นกงจักเป็นกงจักเห็นดอกบัวเป็นดอกบัวเห็นชั่วเป็นชั่วเห็นดีเป็นดีเห็นสมีเป็นสมีไม่นจะเห็นสมีเป็นพ่ออรหันต์ไปเป็นอย่างนั้นปรากฏว่าพันที่สามยังมีอยู่ทำมิกราชคนที่พอใจประกอบด้วยธรรม พอใจยินดีไปสุขใจที่ประกอบด้วยธรรมไม่วาดวันอาธรรมเรานะก็จะเกิดขึ้นแต่พันที่สี่คนโบราณบอกว่าจะหมดพันที่ห้าหมดเลยเอาละทีนี้คำกล่าวนี้มามามองดูคำพูดของพระพุทธเจ้าว่าธรรมมิกราชจะเกิดมีได้โดยวิธีใดมีไหมพุทธเจ้าได้ตัดไว้ไหมอย่าโยมลองไปเปิดพระไตรปิฎกธรรมมิ ก, กูตรจะตุ ก, กันในบาทอังคุตรนิกาย สันตายีดอกเล่มที่ยี่สิบเอ็ดข้อที่เจ็ดสิบหน้าที่เก้าสิบเจ็ดถ้าเป็นฉบับภาษาบาลีฉบับอื่นๆก็จงจำไว้ว่าเล่มที่ยี่สิเอ็ดข้อที่เจ็ดสิบจะตุ ก, กันในบาทอังคุตรนิกายมีชื่อว่าธรรมมิกระโสตตัดเรื่องพระราชาตั้งอยู่ในธรรมและอธรรม ภาษาบาลีว่าจสมิงพิขเวสมเยราชาโนาอรธรรมิกาห้ติราชยุตตาปิตสมิงสมเยอรธรรมิกาโหติราชยุตเตสุพิขเวอรธรรมิเกสุพัมนกคหปฏิกาปิตสมิงสมเยอรธรรมิกาโหติข้อภยัยผู้ภาษาบาลีก็คงจะช้าลงไปอีกความหมายความเข้าใจก็จะสั้นครับแทบลงมาอีกแปลเป็นภาษาไทยให้ เราได้เข้าใจชัดเจนว่าพระพุทธเ จ, จ้าท่านตรัสสูตรนี้เล่าแก่พิสุททั้งหลายฝั่งว่าดูก่อนพิสุททั้งหลายสมัยใดก็ตามพระราชาไม่ตั้งอยู่ในธรรมแมื่นั้นข้าราชการก็ไม่ตั้งอยู่ในธรรมเมื่อข้าราชการไม่ตั้งอยู่ในธรรมเมื่อนั้นพารนหาหมณ์คือหบอดีคือย่อมเป็นผู้ไม่ตั้งอยู่ในธรรมเมื่อพราหมณ์คือหบอดีไม่ตั้งอยู่ในธรรมเมื่อนั้น แม้ชาวนิคมและชาวชนบทก็ไม่ตั้งอยู่ในธรรมเมื่อชาวนิคมชนบทไม่ตั้งอยู่ในธรรมพระจันทร์พระอาทิตย์ย่อมหมุนเวียนไม่สม่ำเสมอนเห็นไหมละ่ะมันเกี่ยวโยงไปถึงพระจันทร์พระอาทิตย์แล้วถึงแผ่นฟ้าแผ่นดินเอาฟังต่อไปเมื่อประชาชนตั้งร้ายไม่ตั้งอยู่ในธรรมพระจันทร์พระอาทิตย์ก็หมุนเวียนไม่สม่ำเสมอไม่ได้วาวเองนะพระพุทธเจ้าท่านพูดพุทธเจ้าท่านพูดท่านบอกวันเนคามชาป็น ชาณประเทศสุอารมิเกสุวิสมังจันทิมาสุริยาปริวัติตันติวิสมังรองแปลดูนักบาバレทั้งหลายว่าจะเป็นอื่นไปได้ไหมไม่ได้ว่าเอาเองที่บอกว่าวิสมังปริวัติันติปริวัติันติแลวบอกหมุนเวียนวิสมังไม่สม่ำเสมอจันทิมาสุริยาพระอาทิตย์พระจันทร์หมุนเวียนไม่สม่ำเสมอเมื่อพระอาทิตย์พระจันทร์หมุนเวียนไม่สม่ำเสมอแล้วก็นักขัดตานิตารกะรูปานิปริวัติตันติวิสมังแน่ แปลว่าดาวนักขสัตท์ทางไลยก็ย่อมหมุนเวียนไม่สม่ำเสมอเมื่อดาวนักขสัตรย์หมุนเวียนไม่สม่ำเสมอนี่มันเกี่ยวข้องกับพระอาทิตย์กับพระจันทร์กับดวงดาวบนท้องฟ้าเพราะการกระทําของคนผู้าะไอ้มีสินมีธรรมหลังจากดาวไม่สม่ำเสมอแล้ววันคืนลาดเคลื่อนรัตตินทิวาปริวัตตันติกิสมังนี่รัตตินไปว่ากลางคืนที่วาไปว่ากลางเวน้นกลางเวน้นกลางคืนกับโบคือเก่าแล้วบาดหมุนเวียนไปแล้ว บทพอเก่าเลยเตือสัง่งเตือยาวเห็นไหมล่ะเดี๋ยวเขาก็ประกาศทางวิทยุพระอาทิตย์ขึ้นเวลาเท่านั้นตกเวลาเท่านี้ผูงนี้ว่าอีกใหม่บุคคลเก่าหรหมุนเวียนไม่สม่ำเสมอเพราะฝีมือของคนนั้นเนี่ต่อมาเมื่อพระอาทิตย์พระจันทร์วันคืนไม่สม่ำเสมอมาสัตมาเสสุปริวัติตันติวิสมังมาสัตมาสาปริวัติตันติวิสมัง มาสะแปลว่าเดือนอัะไปบกคงเดือนหนึ่งคงเดือนกับบอทอเก่าบาดหลังเธอขึ้นสิบห้าคำวันเดือนยังบวชในข้นยังกีกวีกยี่ยังบวชันเต็มดีก็มีในเห็นไหมละมันไม่สม่าเสมอเราไม่ค่อยได้สังเกตการเพราะมันหมุนเวียนไม่สม่ำเสมอเมื่อเดือนกึ่งเดือนไม่สม่ำเสมอซะแล้วหลังจากนั้นก็มาถึงข่าวอากาศ อุตสังวัชราปริวัติตันติวิสมังเนี่ไม่ว่าดินฟ้าอากาศไม่สม่ำเสมอสลแล้วฤดูและปีก็ย่หมุนเวียนไม่สม่ำเสมอเมื่อนฤดูและปีหมุนเวียนไม่สม่ำเสมอลมลมก็ไม่สม่ำเสมอทีนี้ก็มีคําภาษาบาลีว่าวาตาวายันติวิสมังเห็นไหม พูตสังวัชเฉลสุปริวัตตันเตสุวิชมังวาตาวายันติวิชมังเมื่อฤดูปีมุนเวียไม่สามเสมอลมก็ไม่สามเสมอพัด